การที่เจปาจิตติยะหรือปาจิตตีสัพท์นี้แกไว้แล้วในการที่หกปาจิตตีที่ไม่ต้องให้เสียสละสิ่งของเรียกให้แปลจากนิสักียะปาจิตตีว่าสุตทิกะปาจิตตีแปลว่าปาจิตตีล้วนแต่ในบาลีเรียกเพียงปาจิตตี สิกขาบทในการนี้มีเก้าสองจัดเข้าเป็นเก้าวรักวรักละสิบสิกขาบทเว้นไว้แต่สหธรรมิกวรคที่แปดมีสิบสองสิกขาบทมุสาวาทวรักที่หนึ่งสิกขาบทที่หนึ่งว่าเป็นปาจิตตีในพราสัมปชานะมุสาวาทสัมปชานะมุสาวาทนั่น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 ประโย์คะหรือประโยคแปลว่าการประกอบการกระทำการพยายามประโยคกายคือการประกอบทางกายการกระทำทางกายแสดงเพียงประโยคกายเช่นเขียนหนังสือแสดงความไม่จริงก็สาเร็จเป็นการกล่าวเท็จเหมือนกันนักเข้าในข้อนี้ด้วยมุสาวาในศิาขาบทนี้ เพลงเอาที่ไม่ได้กล่าวไว้ในสิกขาบทอื่นเพราะเหตุนั้นพิกสูกล่าวมุสาวาดอันจะพึงปรับด้วยสิกขาบทอื่นมีโทษแรงกว่าก็ดีหรือเป็นปาจิตตีเสมอกันก็ดีพึงปรับด้วยสิกขาบทนั้นกล่าวมุสาวาทพ้นจากนั้นพึงปรับเป็นปาจิตตีด้วยสิกขาบทนี้อาบัตในสิกขาบทนี้ เป็นสจิตกะคือต้องอาบัตด้วยเจตนาหรือมีความจงใจเพราะเหตุนั้นพูดโดยสำคัญผิดก็ดีพูดพลังคือพูดโดยด่วนไม่ทันยั้งก็ดีพูดพลาดคือใจคิดอย่างหนึ่งปากพูดอย่างหนึ่งก็ดีไม่เป็นอาบัตรัรบคำของเขาด้วยจิตบริสุทธ และทำให้คลาดในภายหลังจ่นรับนิมนต์ว่าจะไปแล้วภายหลังหาไปไม่เรียกปฏิสวะท่านปรับเป็นอาบัต ท, ทุกกฎดไว้ในที่อื่นปาจิตติมุสาวัทวักสิกขาบทที่สองว่าเป็นปาจิตติ ในเพราะโอมสวาตโอมัสวาตนั้นคือคาพูดเสียดแทงให้เจ็บใจพึงรู้ด้วยลักษณะอย่างนี้ผูพ้พูดปรารถนาจะทำให้ผู้ที่ตอนมุ่งเจ็บใจหรือได้รับความอับปยพูดหรือแสดงอาการอย่างอื่นด้วยเจตนานั้นให้ผู้ที่คนมุ่งรู้ความเห็นคำพูดหรืออาการที่แสดงนั้น ใช้เป็นเครื่องเสียดแทงเพื่อเจ็บใจวัตถุสำหรับอ้างขึ้นกล่าวเสียดแทงนั้นคือชาติได้แก่ชั้นหรือกําเนิดของคนหนึ่งชื่อหนึ่งโคดหรือแย่หนึ่งการงานหนึ่งศิลปะหนึ่งโรคหนึ่งรูปภัณฑ์สันธานหนึ่งกิเลสหนึ่งอาบัติหนึ่งคำสบประมาทอย่างอื่นอีกหนึ่ง รวมเป็นสิบนี้เรียกว่าอกโกสาวัตถุแปลว่าเรื่องสำหรับดา่ากิริยาผู้เสียดแทงนั้นเป็นไปโดยอาการสองสถานแกล้งพูดยกยอด้วยเรื่องที่ตีกระทบถึงชาติเป็นต้นซึ่งเรียกว่าแดกบ้างประชดบ้างอย่างหนึ่งพูดกดให้เลวลง ซึ่งเรียกว่าดาอย่างหนึ่งตามความแห่งสิกขาบทไม่ได้แสดงโดยเฉพาะว่าผู้เสียดแทงใครแต่ในคำพีวิพังแสดงในนิทานคือที่มาหรือต้นเรื่องว่าภิกษุต่อภิกษุผู้เสียดแทงกันในวาราจแจกอาบัติท่านกล่าวเสียดแทงอุปสัมบัญคือผู้อุปสมบทแล้วโดยจังจังเป็นปาจิตติ กล่าวเสียดแทงอุปสมบันแต่ไม่จ่อตัวว่าเบลเรยก็ดีกล่าวเสียดแทงอนุปสมบันคือผู้ยังไม่ได้อุปสมบทได้แก่เขา้าฤหั์และสามเณรด้วยอาการทั้งสองนั้นก็ดีเป็นทุกกฎไม่ได้เพ่งความเจ็บใจหรือความอัปยศพูดล้อเล่นแต่กระทบวัตถุมีชาติเป็นต้นเหมือนกันมุ่งอุปสมบันก็ตาม อนุปสัสมบันก็ตามพูดเจาะตัวก็ตามพูดเพลยก็ตามเป็นทุกภารสิทธิ์เสมอกันอาบัตทุกภารสิทธินี้มาในวิพังแห่งสิกขาบทนี้แห่งเดียวอาบัตในสิกขาบทนี้เป็นสจิตตกะเหมือนกันคือต้องมีเจตนาจงใจจึงเป็นอาบัตเพราะฉะนั้น มุ่งอัดมุ่งท ร, ร ม, มุ่งสั่งสอนเป็นเบื้องหน้ากล่าวถึงชาติเป็นต้นของเขาไม่เป็นอาบัติปาจิตตีมุสาวาทวักสิกขาบทที่สามว่าเป็นปาจิตติพระสอเสียดภิกษุ คำสอนเสียดเรียกโดยชื่อว่าเปสุญญาวาดพึงรู้โดยลักษณะอย่างนี้ฟังคำขอข้างนี้แล้วเก็บเอาไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายข้างนี้ฟังคำขอข้างโน้นแล้วเก็บเอามาบอกข้างนี้เพื่อทําลายข้างโน้นด้วยปรารถนาว่าตนจะเป็นที่ชอบของเขาบ้างด้วยปรารถนาจะให้ตายกัน เป็นการถอนกำลังเข้าลงบ้างวัตถุสำหรับเก็บเอามาสอเสียดนั้นสิบอย่างเหมือนวัตถุสำหรับกล่าวเสียดแทงตัวอย่างเช่นฟังคำของฝ่ายหนึ่งแล้วบอกแกอีกฝ่ายหนึ่งว่าคนนั้นเขาพูดเหน็บแนมท่านกระทบชาติกำเนิดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นสอเสียดภิกษุต่อภิกษุด้วยกันต้องปาจิตตี ข้างหนึ่งเป็นอุปสัมบัญอีกข้างหนึ่งเป็นอนุปสามบัญหรือเป็นอนุปสัมบัญทั้งสองข้างส่อเสียดต้องทุกกดเขาจะแตกกันก็ตามไม่แตกกันก็ตามไม่เป็นประมาณส่อเสียดคงต้องอาบัตตามวัตถุได้ฟังมาแล้ว บอกด้ยปรารบเหตุอย่างอื่นไม่ได้ปรารถนาจะให้คนเป็นที่ชอบของเขาและไม่ได้ปรารถนาจะให้เขาแตกกันไม่เป็นอาบัตสิขาบทนี้ดูเหมือนปรารบเรื่องอันจริงถ้าภิกษุพูดเท็จยุยงให้แตกกันจะต้องอาบัตโ ด, ดยฐานไหนในเรื่องอันเดียวยังไม่พบแบบที่จะปรับอาบัตต่างวัตถุ จะปรับรวมทั้งเพราะพูดมูสาทั้งเพราะพูดยุโยงให้เป็นปาจิตตีสองตัวต่างวัตถุ ก, กันไม่ได้มีตัวอย่างเช่นพูดเท็จโจทย์ด้วยอาบัตสังคาทิเศตไม่มีมูลปรับเป็นปาจิตตีเพราะโจทย์อาบัตสังคาทิเศษไม่มีมูลในที่นี้มุ่งจะยยโยงให้เขาแตกกันเป็นใหญ่ชอบให้ปรับด้วยสิกขาบทนี้ แต่ถ้าอาบัติที่จะพึงปรับในสิกขาบทนี้เป็นเพียงทุกข์กฎและเห็นว่าอ่อนเกินไปคำมูสาในที่นี้แรงกว่ามูสาสับปรับความพอใจของข้าพเจ้าจะใครยกอาบัติที่แรงกว่าขึ้นปรับในที่นี้อาบัติเพราะมูสาวาทแรงกว่าควรปรับเป็นปาจิตติข้าพเจ้าฝากความข้อนี้ไว้เพื่อพระวินัยทร พิจารณาต่อไปปาจิตตีมุสาวาทวั์สิกขาบทที่สี่ว่าอันหนึ่งภิกษุใดยอย่างอนุปสัมบันให้กล่าวธรรมโดยบทเป็นปาจิตตี อนุปสัมบันนั้นคือคนอันมิใช่ภิกษุมิใช่ภิกษุณีในบางสิกขาบทมุ่งเอาเฉพาะผู้ชายก็มีเช่นสิกขาบทว่าด้วยนอนร่วมกับอนุปสัมบันต่อไปนี้ในบางสิกขาบทมุ่งทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงก็มีเช่นในสิกขาบทนี้ธรรมหรือธรรมะนั้นคือบาลี แสดงคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ท่านเรียงไว้โดยเป็นพาสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าบ้างโดยเป็นพาสิทธิ์ของพระสาวกบ้างโดยเป็นพาสิทธิ์ของฤาษีบ้างโดยเป็นพาสิทธิ์ของเทวดาบ้างให้กล่าวทําโดยบทนั้นคือสอนให้ว่าพร้อมกันว่าขึ้นพร้อมกันจบลงพร้อมกันเรียกว่าให้กล่าวโดยบท ภิกษุว่านําขึ้นอนุปัฏฐันรับบทต่อลงไปแล้วว่าไปด้วยกันจนจบเรียกว่าให้กล่าวด้วยอนุบทในบทเดียวขึ้นอักษรร่วมกันบ้างไม่ร่วมกันบ้างเรียกว่าให้กล่าวโดยอนุอักขระลงพยัญชนะร่วมกันบ้างไม่ร่วมกันบ้าง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 ซึ่งกล่าวถึงในสิกขาบทนี้เป็นวิธีที่ใช้สอนให้จําในยุคที่ยังไม่ได้ใช้หนังสือวิธีนี้ได้เคยใช้มาในวัดทั้งหลายมีภาษาเรียกว่าต่อหนังสือค่าข้อที่ว่าห้ามไม่ให้ว่าพร้อมกันนั้นปรากฏในนิทานคือต้นเรื่องแห่งสิกขาบทแล้วเพื่อจะไม่ให้สิทธิ์มีนครู คำว่านิทานสั์ทางธรรมแปลว่าเหตุที่มาต้นเรื่องความเป็นมาแต่เดิมหรือเรื่องเดิมที่เป็นมาเช่นในคำว่าไอทานที่เป็นสุขานิทานของสรรพสัตว์สุขนานิทานคือเหตุแห่งความสุขในภาษาไทยความหมายได้เพี้ยนไปกลายเป็นว่าเรื่องที่เล่ากันมา